ปัจจินีกับบุคคลจกขุนทริยมูลกายนัยสองอนุโลมปุจฉัลจกขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตินสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโดมปุจชัลโสตินสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจกขุนสี่ของบุคคลนั <c oughs> ้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุจชัล จากขุนศีของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานินทรีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิทัดชนาไม่มีปฏิรมปุชฌาคานินรีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุรมปุชฌาจากขุนศีของบุคคลใดไม่เคยเกิดอิตินรียและบริสินศีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มี ปฏิรมปุจฉาบุริตินสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุรมปุจฉาจากขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรียของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิโรมปุจฉาชีวิตินรียของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนา ไม่มีอนุโลมปุจฉาจากขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดสมานาตินตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมพิจัดชนาไม่มีปฏิรลมปุจฉาโสมานาตินตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมพิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุจฉาจากขุนตีของบุคคลใดไม่เคยเกิด อุเปกขินสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิรลมปุชชาอุเปกขินสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุชชาจากขุนสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดสตินรีและปัญญินรีละมณีสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มี ปฏิลมปุชฌามณีตรีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนตรีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมพิจัชนาไม่มีจากขุนทริยมูลกนัยจบคานินทรียมูลก น, นัย261อยนุลมปุชฌาคาณีตรียของบุคคลใดไม่เคยเกิดอิทธินตรีละบุริสินตรีละชีวิตินทรีละโสมนัสสินตรีละ อุเปกินสีละสัตถินสีละปัญญินสีละมนินสีเขงบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจาชนาไม่มีปฏิรลมปุจชามนินสีเขงบุคคลใดไม่เคยเกิดคานินสีเขงบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจาชนาไม่มีละคานินทริยมูลกายนิจบปัญทริยมูลกานัยสอง อนุรมุจฉาปัญญีสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดมณีสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาะไม่มีปฏิรมปุจฉามณีสีของบุคคลใดไม่เคยเกิดปัญญีสีของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปัินทริยะมูลคณัยจบ ปัจจณีกัโอกาสจากขุนตริยะมูลกนนายนัยสองอนุลมปุจฉ้าจากขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉ้าโสตินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจ ช, ชา้าจากขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิด คานินรียในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิ่ตัชนาใช่ปฏิโรมปุจฉาคานินทรียในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิ่ตัชนาในรูปาวจรภูม <ulla> ิกาณินรียในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นคานินทรียไม่เคยเกิดและจากขุนรีก็ไม่เคยเกิด อนุโลมปุชชาจกขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิดอิสินสีและปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่ปฏิโรม e. ปุชชาปุริสินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขุนสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่เคยเกิดแต่จกขุนสีไม่ใช่ไม่เคยเกิด ในอาจารย์ยศตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริสินรียไม่เคยเกิดและจากขุนตีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุจฉาจากขุนตีในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมพิจัดชนาไม่มีอนุโลมปุจฉา จกขุนศีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสสินศีในภุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมนัสสินศีในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขุนสีในภุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาจกขุนศีในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกขินศีในภุมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปภูมิ ในภูมินั้นจักขุนตีไม่เคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในสัญยสัตตภูมิในภูมินั้นจักขุนสีไม่เคยเกิดได้อุเปกขินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชฌาอุเปกินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาจักขุนสีในภูมิใดไม่เคยเกิด จตินีและปัญรีและมณีย ใ, ในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปภูมิในภูมินั้นจักขุนรีไม่เคยเกิดแต่มณีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอาจญรสัตตภูมิในภูมินั้นจักขุนีไม่เคยเกิดและมณียก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจชามณีในภูมิใดไม่เคยเกิดจักขุนีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ จกักขุนตริยมูลกายนจจบคานินตริยมูลกานิ ย, ย, ย264อนุโลมปุจฉัคคานินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดอิตินสีละปุริสิน4ีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจชาปุริสิน4ีในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินรีในภุมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉั คานินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิโลมปุชชาชีวิตินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโลมปุชชาคานินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิ ในภูมิ น, นั้นคานินตีไม่เคยเกิดแต่โสมสตินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอาจารย์ยศตภูมิและอรูปภูมิในภูมิ น, นั้นคานินตีไม่เคยเกิดและโสมนณสินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิลมปุชฌาโสมนณสินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดชนะใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุชฌาคานินตีในภูมิใดไม่เคยเกิด อุเปกินต e like ีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชณาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นคานินตีไม่เคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอัญญรจัตตภูมิในภูมินั้นคานินตีไม่เคยเกิดและอุเปกินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินตีในภูมิใดไม่เคยเกิด คานินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกดิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินตีในภูมินใดไม่เคยเกดิดจัดตินตีละปัญญินตีละมนินตีในภูมินันน้นก็ไม่เคยเกดิดใช่ไหมวิจัดชนาในรูปปาปจรภูมิและอรูปปาปจรภูมิในภูมินั้นคานินตีไม่เคยเกดิดแต่มนินตีไม่ใช่ไม่เคยเกดิดในอสัญญาสัตตภูมิ ในภูมินั้นคานินทตียไม่เคยเกิดและมณินตียก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชามณินรีในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทรียในปุ მ นั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่คานินทริยมูลกนาอิจบทินทริยมูลกน65าอิจบทินรีในปมิใดไม่เคยเกิด บุริสินตีในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโรมปุชชาปุริสินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทธินรีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอิทธินตรียมูลกานายัยจบปุริสินตรียมูลกานายัย266อนุโลมปุชชา ปุริ equality, io, Biology, สินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเคยเกิดปฏิรมปุชชาชีวิตินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินตีในปุินั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัชนาไม่มีอนุโรมปุชชาปุริสินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัสตินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิ ในภูมินั้นปุริสินตีไม่เคยเกิดแต่โสมณตินรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในยศัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิในภูมินั้นปุริสินตีไม่เคยเกิดแต่โสมนณตินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาโสมณตินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาปุริสินตีในภูมิใดไม่เคยเกิด อุเปกินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจชนาในรูปปาปจรภูมิและอรูปปาปจรภูมิในภูมินั้นปุริสินตีไม่เคยเกิดแต่อุเปกขินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอจัญยสัตตภูมิในภูมินั้นปุริสินตีไม่เคยเกิดและอุเปกขินรีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกขินรีในภูมิใดไม่เคยเกิด ปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาปุริสินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดสตินรีละปัญญินรีละมณินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่เคยเกิดแต่มณินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิด ในยจัญยจัตตภูมิในภูมินั้นปุริสินสีไม่เคยเกิดและมนณีสีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชามนิณีสีในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปุริสินธริยบุรกไนายจบชีวิตินทริยมุรกานาันสอง้อยหกสิบเจอนุโลมปุชชาชีวิตินรีในภูมิใดไม่เคยเกิด โสมนัสตินตีในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมวิจัดชนาไม่มีปฏิรดมปุชชาโสมนัสตินตีในปุ่มใดไม่เคยเกิดชีวิตตินตีในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาเคยเกิดอนุโลมปุชชาชีวิตตินตีในปุ่มใดไม่เคยเกิดอุเปกินตีและสัตถินตีและปัญินตีและมนินตีในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดมีไหมพิจัดชนาไม่มี ปฏิโรมปุชชามนิณตีในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาเคยเกิดชีวิตินทรียมูลกไนยจบโสมณตินทรียมูลกไน2ย8ออปนุโลมปุชชาโสมณตินตีในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปฏิโรมปุชชาอุเปกินตีในปุมใดไม่เคยเกิดโสมนณสินตีในปุมนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจชาโสมนณสินตีในปุมใดไม่เคยเกิดตัดตินตีละปัญญินตีละมนินตีในปุมนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโมปุชชามนินตีในปุ მ ใดไม่เคยเกิด โสมสตินรีในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่โสมนณสินตรียมูลกนัยจบอุเปกินตริยมูลกนัยสองอนุโลมปุจฉาอุเปกินสีในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตตินรีละปัญญินรีละมนินสีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุจฉา มนณีตีในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกินตริยะมูลกนัยจบสัตถินตรียมูลกนัยสองอนุโลมปุชชาสัตถินรียในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินตีและมนิณีตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชา มณีตีในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตตินตีในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาะใช่สัตตินตรียมูลกา น, านัยจบปัญญินตรียมูลกนัยสองอนุจ็ดสิุลมุขฉาปัญญินตีในปู่มใดไม่เคยเกิดมณีตีในภุม่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉา มณีตีในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินตีในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพี่ตัชนาใช่ปัญญทรียะมูลก า, นายนจบปัจจินีกับปุกคโลกาตจากักขุนทรียะมูลก า, นายน272อนุโลมปุชชาจากักขุนสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาโสตินตีของบุคคลใดไม่เคยเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิตัชนาใช่อนุโลมปุชชาจากขุนตีของบุคคลใดในปู่มใดไม่เคยเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาคานินตีของบุคคลใดในปู่มใดไม่เคยเกิด จากขุนรีของบุคคลนั้นในภูม yeah? ินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิคานินตีกองบุคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนศีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิอสัญญาจตุภูมิและอรูปภูมิคานินตีกองบุคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุนศีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชา จากขุนศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิทธินรีละบุริสินทศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาปุริสินศีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิปุริสินศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่จากขุนศีม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิอสัญญาัตตภูมิและอรูปภูมิปุริสินตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและจากขุนศีก็ไม่เคยเกิดอนุโลมปุชชาจากขุนศีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินตีกับบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัจชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในอสัญญาจัตตภูมิและอรูปภูมิ จากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินทร์ตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตดอยู่ในสุทาวาสภูมิจากขุนตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินทรียีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจฉาชีวิตินทร์ตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉา จากขุนตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนณตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโดมปุชชาโสมนัณตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจากขุนตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาจากขุนตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิด ใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในอรูปภูมิจกขุนตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญาตตะภูมิจกขุนตีกับบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชาอุเปกินตีกับบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด จักขุนตศีงบุคคลนั้นในภู่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาจักขุนศีงบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตินศีละปัญญศีละมณีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัติอยู่ในรูปประภูมิจักขุนศีงบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณีศีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัติอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญาัตตภูมิจกขุนศีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดกได้นมนินศียก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชฌามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดจกขุนศีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่จกขุนทริยะมูลกนัยจบคาณินธริยมูลกนัย273 อนุโลมปุจฉาคาณินทตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอิตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉาอิตินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคาณินทีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัดชนาใช่อนุโลมปุจฉาคาณินทตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด ปุริสินตีของบุคคลนั้นในปู่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโลมปุชชาปุริสินทตีของบุคคลใดในปูมิใดไม่เคยเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุชชาคานินตีของบุคคลใดในปูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจัดชนาบุคคลผู э <that> ้บัดอยู่ในรูปปาปจรภูมิและอรูปปาปจรภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัดอยู่ในสุทาวาตภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชาชีวิตินตียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด คานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาคานินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนณตินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่โสมนณตินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิอสัญญัตตภูมิและอรูปภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิด <S <S และโสมนัสสินรีนยก็มไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาโสมนัสสินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคนะ า, านินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่อนุโลมปุชชาคานินทีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด อุเปกินต so ีของบุคคลนั้นในภูมินั yeah. rabbits, ้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจ huh. ัชนาบุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญัตตภูมิคานินทีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินตีก็ไม่เคยเกิด ปฏิโลมปุชชาอุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินทีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะใช่อนุโลมปุชชาคานินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดตัดตินรีและปัญญินรีและมานินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาะบุคคลผู้บัดอยู่ในรูปปาปจรภูมิและอรูปปาปจรภูมิ คานินทีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาดภูมิและอสัญญัตตภูมิคานินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจชามนินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ คาณินทรีย์มูลกนัยจบอิถินทรีย์มูลกนัย274อนุโลมปุชชาอิทธินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดบุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาะใช่ปฏิโลมปุชชาบุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด อิตินตีของบุคคลนั้นในภุ่ินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ละอิตินตริีมูลกนัยจบปุริตินทริยมูลกนัย275อนุโลมปุจฉาปุริตินตีของบุคคลใดในปูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินตีของบุคคลนั้นในปุ่มนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้บาดอยู่ในรูปปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินตีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาตภูมิปริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินตียก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุชชาชีวิตินตียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม วิจ right. ัชนาใช่อ hmm. น mm ุโลมปุจฉาปุริสินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนัตสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตรอยู่ในรูปาวจรภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่โสมนัตสินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตรอยู่ในสุทาวาตภูมิอสัญญาตตภูมิและอรูปประภูมิ ปุริสินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและโสมนัสินตีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุจฉาโสมณตสินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดนนกใช่ไหมวิจัดชนาใช่อนุโดมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินตีของบุคคล น, นั้น ใ, นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา บุคคลผู้บัตอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิปุริจินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่อุเปกินสีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตอยู่ในสุทาวาจภูมิและอาจารย์ัตตภูมิปุริจินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและอุเปกินสีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชาอุเปกินสีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด ปุริสินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมพิจัชนาใช่อนุโลมปุจฉาปุริสินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสตินตีละปัญินตีละมะนินรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาบุคคลผู้บัตยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนินทรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บาดอยู่ในสุทาวาสภูมิและอสัญญาจตตภูมิปุริสินสีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนินสียก็ไม่เคยเกิดปฏิโลมปุจชามนินสียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปุริสินสีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปุริสินธริยมูลกนัย ชีวิตินทรียมูลกนัยสองอนุโลมปุชชาชีวิตอินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมณสินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชาโสมณตินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนา เมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิโสมนัสตินทรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตตินรียไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอุปาทขนาแห่งอุปัติจิตของบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาตภูมิโสมนัสตินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตตินทรียก็ไม่เคยเกิด อนุโลมปุชชาชีวิตินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินทร์สละสัตทินทร์สละปัญญินทร์สีละมนินทรียีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุชชามนินทรียีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดชีวิตินทรีย์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาบุคคลผู้บัตยู่ในอสัญญัตตภูมิ มนินตีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ชีวิตินตียไม่ใช่ไม่เคยเกิดในอุปาทกนาแห่งอุปัติจิตของบุคคลผู้อุปบตอยู่ในสุทาวาตภูมิมนินทีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและชีวิตินทรีย์ก็ไม่เคยเกิดชีวิตินตรียมูลกนัยจบโสมนัสสินตรีมูลกานาอิยเจ็อนุโลมปุชชา โสมนัสสินรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินรีและสตินรีและปัญญินรีและมณินทรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาเมื่อจิตดวงที่สองของบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาตภูมิเป็นไปอยู่โสมนัสสินรีของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มณินทรีไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้บัตยู่ในสุทาวาตภูมิและอสัญญสตภูมิ โสมณสินร so so ีของบุคคลเหล่า네นั no ้นในภูม <sh arp> ินั้นไม่เคยเกิดได้มาินทรีก็ไม่เคยเกิดปฏิโดมปุชชามาินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสมนณสินรีของบุคคลนั้นในปุินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัตชนาใช่โสมนณสินธริยมูลกนัยจบอุเปกินธริยมูลกนัยสองอนุโลมปุชชา อุเปกินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัตทินรีและปัญญินรียและมณินทรียของบุคคลนั้นในภูม yes. ินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่ปฏิโรมปุชชามณินตีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดอุเปกินตีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัชนาใช่อุเปกินตริยมูลกนัยจบ สัตินตรียมูลกนัยสองอนุโลมปุจฉ้าสัตินตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญินตรีและมนินตรียของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ปฏิโลมปุจฉ้ามนินทรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสตินตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาะใช่ สตินตรียมูลกนัยจบปัญญตรียมูลกนัยสองอนุโลมปุจฉั่ปัญญิตรีของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมณินทรียของบุคคลนั้นในปมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ปฏิโลมปุจฉั่มณินทรียของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดปัญญิตรีของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิจัดชนาใช่ ปัญญตรียมูลก น, นัยจบ